พร้ที่เจ้าสแสดงทํามครั้งแรกมีพระเข้าใจกี่รูปรูปเดียวพระฟังกี่รูปห้ารูปทั้งทั้งที่อยู่กับพุ้ทีเจ้ามานานแล้วนะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพระทั่วไปนักเทศทั่วไปนักสอนทั่วไปเข้าใจผิดก็เนืวยอว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยคนจะเข้าใจหมด คนถือว่าปฏิบัติรมแล้วก็ฟังทำมาตลอดชีวิตชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าองค์ประกอบห้ายอย่างนี่มันไม่ครบศรัทธาความเชื่อมั่นความอยากจะศึกษาความอยากจะรักที่จะศึกษาในสิ่งที่เข้ามาไม่พอสองถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วแต่ความเพียรที่จะไปลงมือด้วยเนี่ยลงมือทำเนี่ย เปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงไปอีกนะสามลงมือทำแล้วที่จะประกอบด้วยทั้งสติสมาธิปัญญาก็น้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเองพระทั่วไปก็เหมือนถูกหลอก อ, ะอ่ะวันนี้คนตั้งใจฟังเข้าใจดีมากพอไปสอบก็จริงๆแล้วเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะเรื่องเหล่านี้หลวพ่อตรวจสอบไม่ใช่ว่าจะเมื่อไงก็เหนื่อยตายเนาะเราจะเทน้ำลงขวดอย่างไรที่จะ น้ำจะเต็มโดยไม่กระชอกขวดตั้งไหมหรือขวดนอนขวดเปิดฝาไหมแต่คนลีนนะี่ตั้งใจลินนะแต่ไม่ได้ดูขวดว่าขวดตั้งหรือเปล่าขวดเปิดฝาหรือเปล่าแล้วขวดสะอาดหรือเปล่าไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะนั้นผู้ผู้นําเสนอเนี่ยตั้งใจนําเสนอร้อยเปอร์เซ็นมก็ตั้งใจลินลงน้ำลงขวดแต่ผู้ฟังเขาตั้งใจฟังหรือเปล่าเขาเปิดใจหรือเปล่า เขาพอใจที่จะฟังหรือเปล่าเนี่ยผู้ผู้พู ด, พ ด, พดไม่ได้สำรวจนะเพรา ะ, ะนั้นก็เมื่อพูดไปแล้วทำความเข้าใจไปแล้วเนี่ยในร้อยหนึ่งระหว่างแค่หคนกนทั้งยากนะแต่ถ้าสิบคน2ี่คนขึ้นไปก็หมายถึงว่าตัวผู้พูดเป็นที่ตั้งของศรัทธา ตัวผู้ฟังก็มีปัญญาก็จะจูนกับลักษณะนี้ก็จะมีจํานวนมากขึ้นแต่ยิ่งตัวผู้พูดไม่เป็นที่ตั้งของศรัทธาตัวผู้ฟังยังไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดปัญญาก็ผลก็ยิ่งน้อยลงไปนะนนี้คือส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่อย่างน้อยคือมีโอกาสเราสร้างโอกาสให้ได้มานั่งฟังสร้างโอกาสให้มาทำอาจจะลินเข้าทีละนิดก็ไม่เป็นไรลินหลายๆครั้งอาจจะเข้านะ ศรัทธาเกิดขึ้นไม่ใช่ของง่ายเลยนะศรัทธาในการที่จะฟังศรัทธาในการที่ศึกษาอันนี้ส่วนหนึ่งนะะนั้นที่หลวงพ่อนำเสนอว่าเอาลองเดินดูนับลมหายใจเข้าได้กี่รอบนะหอบรือรอบลมหายใจให้หายใจเข้าให้ลึกที่สุดแล้วหายใจออกที่สุดยาวที่สุดหนึ่งรอบลมหายใจถ้าก้าวไปนะก็ในห้าสิบคนเนะี่ย จะตั้งใจทำทจริงๆไม่ถึงห้าคนนะเพราะอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมนะเราต้องเข้าใจอันนี้เผื่อว่าโอกาสของคนเราไม่เหมือนกันในเช้านี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องว่าการคือทบทวนเรื่องรูปนามเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งอยากจะถามว่ารูปนามมันเกิดความทุกข์ปัญหาของมันเองหรือคนอื่นสร้างให้ หรือเราเป็นผู้สร้างหรือเรากับคนอื่นร่วมกันสร้างฟังให้ดีนะรูปนามคือกายใจของเรามีความทุกข์และปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งบางคราวหรือตลอดเวลานี่เราจะลงในหน่วยย่อยรายละเอียดเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งปัญหาที่หนึ่งรูปนามที่เรามีอยู่นี้ปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือบางครั้ง เราต้องแยกกันตอบรูปเกิดปัญหาโดยบางครั้งหรือตลอดเวลาเพราะมันเป็นโกฎของไตรรักนะสองนามเกิดปัญหาขึ้นบางครั้งหรือตลอดเวลาบางครั้งเมื่อไหร่นามนั้นประกอบด้วยรูปเกิดปัญหาตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่นามนั้นเป็นอิสร ะ, ะตัวข้อมันเองล้วนปัญหาก็ไม่เกิด แต่เมื่อไรเผลอรูปเข้าไปในนามไป น, นามมาลูบใช่ไหมที่เราว่ามื่อวา น, น, นลูบนามนามลูบเผลอเมื่อไหร่รูปเข้าไปในนามปับ๊บปัญหาก็เกิดแต่พอเรามีสติปัญญาแยกรูปออกมาจากน้ําได้ปัญหาก็ดับเพราะเรารู้ว่าตัวรูปคือตัวปัญหาโดยตัวของมันเองเพราะมันเป็นปัญหากดของไตรลักแต่ที่ที่พุทธิย้าค้นพบอ๋อ การที่จะพ้นทุกได้มีทางเดียวคือต้องแยกรูปออกจากนามให้ได้แล้วทุก์จะเข้าไม่ถึงนามเรียกว่าพ้นทุกเพราะฉะนั้นจุดพยายามของเราคือจุดนั้นจุดที่จะแยกรูปออกจากนามเอาอะไรมาแยกหลวงพ่อเทียนเปรียบเส ม, มือนว่าเราเคยไปเห็นร้านขายกระจกไหมเขาใช้อะไรตัดกระจก แช่ไม่ใช้มีดโกนไม่ใช่อะไรที่คมที่สุดทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ใช้เพชรที่แข็งกว่ากระจกแล้วคมกกระจกเวลากรีดตัดเนี่ยเราจะเราสังเกตว่าเราจะเห็นรอยตัดไหมไม่เห็นแต่เราจะรู้ว่ากระจกขาดตัวเมื่อเราไปกดดังป๊อกออกมาอันนั้นคือวัตถุหนึ่งละเอียดขนาดนั้นนะฮะแต่อันนี้คือนามาทำถ้าเราเอานมมาแก้วหนึ่งในนมนั้น ในนมหนึ่งแก้วเนี่ยมันมีน้ําใสอยู่กี่เปอร์เซ็นต์และตัวนมจริงๆอะเป็นน้ําหรือเปล่าตัวนมจริงเป็นน้ำํำไหมเป็นอะไรเป็นผงใช่ไหมแล้วแยกออกมาเป็นผงนั่นคือถ้าสมมุติเราเอาไปกลัน่นเอาน้ําออกมาเนี่ยนมก็จะค้นลงค้นลงค้น ล, ลงในที่สุดแล้วเอามาเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็แห้งเอาไปตากแดดก็เหลือแต่ผง่ะ นั่นคือถ้าสมมุติว่าน้ำแก้วนั้นน้ำใสใสนี่คือน้ำและตัวเป็นผงขุน ค, ค, คือรูปหลังการที่จะแยกนมออกจากน้ำก็มีขบวนการละคือกลั่นหรือเอาไปตากให้มันแห้งถ้าเอาไปตากให้มันแห้งหรือเป็นผงหนุ่มก็ใช้เวลานานหน่อยแต่พอไปกลั่นก็ใช้เวลาเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นระบบการแยกรูปร่างนา้ำจึงมีสองระบบระบบสมร tha คือเหมือนนํำนมนั้นไปตากแดดให้น้ําแห้งมันจะแห้งวันไหนก็ไม่รู้ละ่ะแต่ตากไว้เงั้นแต่วิปสัสสนานั้นเสมือนนํานมนั้นไปกลั่นกําหนดเวลาได้เลยว่านมแก้วเนี่ยต้องน้ําเดือดเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้ไม่ถึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงน้ําแห้งแล้วนําไปตากแดดอีกเขี่ยวแล้วนําไปตากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตากแดดให้ลาบากพอมันงวดเหลือแต่นมทําไง ดันเข้าตู้อบดันเข้าไมโครเวฟใช่ไหมไม่นานก็เหลือแต่หนุ่มแห้งๆกับมะปรางเป็นผงกําหนดเวลาได้เนะพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงมั่นใจในสูตรของท่านว่าถ้าคนไหนทําตามสูตรที่ท่านตรัสรู้แล้อย่างช้าที่สุไดไม่เกินเท่าไหร่เจ็ดปีใช่ไหมอย่างเร็วที่สุไดไม่เกินเจ็ดวัน ถ้าหากว่าท่านไม่มั่นใจขนาดนั้นท่านไม่ประกันเวลาขนาดนั้นอันนี้เมือ่อไหร่พอได้ระบบวิปัสนาเราประกันได้ว่าเมื่อ น, นํานมกับน้ําไปต้มเนี่ยมันจะต้องเราจะให้แห้งได้เวลาเท่าไหร่กําหนดได้และเราจะใหะ้นมที่มันแห้งจากน้ําแล้วเอาไปใส่ตู้ไมโครเวฟหรืออบให้มันแห้งในเวลาเท่าไหร่เนี่ยกำหนดได้แต่ถ้าเอาไปตากแดดให้มันแห้งโดยอํานาจของแดดกําหนดเวลาได้ไหม ไม่ได้เลยไม่รู้จะเป็นวันไหนเวลาไหนเดือนไหน <c oughs> ก็มันจะแห้งงวดนะบางวันมีแดดบางวันไม่แดดบางวันแดดกล้าบางวันแดดอ่อนบางวังแดดแข็งบางวันฝนตกมันไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขได้แต่วิปัสสนานั้นควบคุมเงื่อนไขได้ดังนั้นย้อนไปที่ว่ารูปกับนามรูปเป็นส่วนที่เกิดปัญหาโดยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาตลอดเวลา แต่มาถามต่อไปว่าปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดหนึ่งเกิดด้วยตัวของมันเองแน่นอนอันนี้ของไต่ตัวสองเราไม่รู้การเกิดของมันฮไม่รู้การเกิดของมันสเรารู้การเกิดของมันสความทุกและปัญหานั้นเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นห้า ผู้อื่นเป็นผู้สร้างขึ้น6เรากับผู้อื่นร่วมกันสร้างขึ้นเฉพาะเงอนไขของรูปนะทีนี้มาดูว่าถ้าเราเป็นผู้สร้างขึ้นเนี่ยรู้ปัญหาต้องเกิดรู้ปัญหาแล้วเป็นผู้สร้างขึ้นเองควานผู้ปัญหานี้เป็นเป็นกลางนะมันเป็นเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกับไฟกับน้ำ มันยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นตัวให้เราทุกหรอกแต่ว่ามันเป็นกำลังในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนไม่มีความหนักความหน่งวงเลยเนะี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะมันจะมีธาตุเกิดกับธาตุดับอยู่ในตัวธาตุเกิดคือความร้อนคือธาตุไฟและธาตุดินธาตุดับคือธาตุน้ำและธาตุลมเพราะฉะนั้นมันจะมีการดับและเกิดในตัวของมันเอง ธาตุไฟดินน้ำลมไฟผสมผสานเรา แ, แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นธาตุหนักอันไหนเป็นธาตุเบาตัวนั้นรายละเอียดของมันถ้าหากว่าในร่างกายไม่มีธาตุไฟและธาตุดินเนี่ยก็จะไม่เป็นร่างกายแต่ถ้ามีธาตุดินกับธาตุไฟไม่มีธาตุน้ำกับธาตุลมก็จะไม่เป็นรูปอันนี้เหมือนกันดังนั้นในตัวดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นรูปมันมีการจึงสร้างความเกิดดับเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าธาตุสี่เป็นสิ่งที่มหาศจรรย์ญญ เมื่อมันมาสมดุลเป็นปฏิหารเมื่อมันมาสมดุลกับพอดีแล้วมันก็ให้เกิดพลังดินน้ำรวมไฟอย่างธาตุสีของเราดินน้ำประหงไฟรวมกันพอดีพอดีก็ให้เกิดพลังสองอย่างเรียกว่าอากาศาธาตุคือออกซิเจนและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณที่เป็นธาตุรู้นี่แหละเป็นพลังสุดยอดของสิ่งมีชีวิตโดยการรวมตัวของธาตุสี จึงเป็นรูปนะดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเราจะดูแลธาตุสีด้วยการใช้ตัววิญญาณธาตุและได้กล่าวไปวันก่อนว่าวิญญาณธาตุนั้นที่มันเกิดขึ้นในธาตุสีและขันธ์ห้าก็เป็นวิญญาณที่เป็นพลังรู้อันหนึง่งทีนี้ พลังรู้ที่เกิดโดยท่าสีขันห้าเนี่ยพลังรู้ตัวนี้จะเป็นพลังดิบพลังดิบคือพลังรู้ที่ดิบเราเรียกว่าสัญชาตญาณเมื่อเป็นพลังดิบอยู่มันก็เราเอามาใช้มาแยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะรายละเอียดมันไม่พอเหมือนกับพลังดิบเช่นเทีนยนไขตะเกียงจุดใต้จุดไฟจุดฟืนเนี่ยเป็นพลังดิบ มันก็จะความร้อนแรงความคมชัดของความร้อนไม่พอที่จะมาบัดกรีมาตัดเหล็กม า, าใช้กับอิเล็กทรอนิกทั้งหลายก็เอาพลังดิบแล้วเนี้ยมาขับผ่านขบวนการก็คือขบวนการทั้นได้ ก, กล่าวแล้วว่าขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังในงความร้อนแล้วก็เพิ่มพลังมันขึ้นมาสามารถที่จะเอาไปบัดกรีได้ตัดเหล็กได้แยกเลือก อ, อิเล็กทรอนิกทั้งหลายแยก เสียงแยกแแ่เปลี่ยนสภาวะร้อนให้เป็นเย็นให้เป็นร้อนได้เปลี่ยนสภาวะมืดให้เป็นสว่างและสว่างให้เป็นมืดได้ต้องเอามาพัฒนาสันใดก็ดีตัวรู้สึกตัวที่เป็นพลังดิบเราเรียกว่าสัญชาตติยานและสันชาตตยานตัวนี้พัฒนามาจากตัววิญญาณและวิญญาณตัวนี้พัฒนามาจากธาตุสี่ทันไหม ท่านนะทีนี้ขบวนการที่เราจะแยกรูปแยกนามดังได้กล่าวแล้วว่าแค่แยกน้ำออกจากนมมันก็ยังใช้ขบวนการตั้งเยอะละแต่ทีนี้แยกกายออกจากใจแยกรูปออกจากนามถ้าลำพังใช้ความรู้ระดับสัญชยยาตญาณถามว่าทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเก็บน้ำกับนมน้ำนมไปนานๆคงที่ไหมนมเป็นไงต้องบูดเน่า แต่ถ้าเราแยกน้ําออกมาใสาๆแล้วแยกผงนมออกต่างหากทั้งผงและน้ํานี่จะเสียไหม mm hmm. เก็บไว้ทั้งปีก็ไม่เสียนั่นคือกระบวนการที่แยกการแยกรูปแยกน้ําเพื่อเข้าสู่ความเป็นอมตะเรียกว่าอมาตะธรรมคือรูปก็ไม่เสียน้ําก็ไม่เสียน้าก็ไม่เสื่อมรูปก็ไม่เสื่อมแต่เมื่อไหรรูปกับน้าปนกันโดยที่ไม่แยกเหมือนน้ํานมไม่เกินสามวันเมื่อที่เก็บวันเดียวก็ไม่อยากทานแล้วใช่ไหม พราะมันเริ่มมีกลิ่นตุตตละอกสามสี่ห้าวันไม่ต้องพูดถึงแต่น้ําใสๆที่แยกมาตรงที่กันแล้วเก็บไว้ทั้งปีหลายปีก็ไม่เปลี่ยนแปลงผงนมก็เช่นเดียวกันดังนั้นเองแต่ว่ามันก็ยังเป็นรูปอยู่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีใช่ไหมทั้งน้ําทั้งนมก็เปลี่ยน แ, แต่อายุมันยืนกว่าที่จะทั้งสองอย่างมารวมกันเท่านั้นเองอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่ารูปมีการเปลี่ยนแปลงหมดแต่จะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเปลี่ยนแปลงไวขึ้นอยู่กับเงื่อนไข กายกับใจนี้ถ้ามารวมกันก็มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของรูปกับนามกายกับใจรวมกันเราเรียกอะไรชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกชาลาปิทุกขาการความแก่เป็นทุกพยาที่ปีทุขาความเจ็บป่วยเป็นทุกข์และมรณงปิทุกขาความตายเป็นทุกนี่คือการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสอย่างโดยที่เราไม่รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของมันก็ให้เกิดการ รูปอีกอันหนึ่งที่เข้าไปอยู่ข้างในรูปนั้นเรียกว่าอะไรโโกะปริเทวะทุกขะโทมานัสสอุปายาสะเปลี่ยนแปลงไปเป็นนามรูปละแล้วก็ยัมปิฉังอปิเยหิก่อนเนาะอภิเยหิสัมประโยชนโขลโคประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกปิเยหิวิประโยชนโขลโหพัดพลากจากสิ่งที่น่ารักก็เป็นทุกข์ สามีภรรยารักกันเกิดพัดภาคตายจากกันเป็นไงร้องให้ร้องห่มเจอะน้ำตาเธอจะเป็นสายเลือดเพราะเราไม่รู้เรื่องการขบวนการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วยำปิฉังนะรับพิทุกคู่แขังปรารถนาสิ่งใดปรารถนาจะให้เงินหนึ่งล้านใ้อยู่กับตัวเองตลอดชีวิตไม่ให้มันเสียไปเลยได้ไหมปรารถนาคนที่รักสุดให้อยู่กับเรานานที่สุดก็ไม่ได้เป็นทุกข์แล้วก็ ยำปีฉังเยํำปีฉังนรปฏิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าทุกทางทูกทางนามขึ้นอยู่ประการเดียวคือการเข้าไปยึดในสิ่งทั้งรูปทั้งนามนั้นเป็นทุกข์โดยแท้เป็นต้นตอของทุกข์ท่านจึงเอาไว้ประการสุดท้ายสังคิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุขากล่าวยสรุปแล้วเนี่ยการเข้าไปยึดทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละทั้งนามทั้งรูปนั่นแหละเป็นความทุกข์โดยแท้ เราสวดกันทุกวันนะแต่เราตีบทไม่แตกกเพราะว่าเราสวดตามนกแก้นกคุณทองไปงไั้นแหละดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าทีที่เราจะไปจัดการรูปนามและนามรูปให้เป็นประโยชน์นั้นทําอย่างไรเอาล่ะถามก่อนว่าช่วงเช้าเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยสบายหรือไม่สบายไม่สบายมันหนักมันเหนื่อยใช่ไหมเหงื่อแตกกราน หายใจแทบจะไม่ทันเป็นปัญหาไหมปัญหานี้เราเป็นผู้สร้างขึ้นหรือว่ามันเกิดเองเราสร้างขึ้นอ่าเราเจตนาสร้างขึ้นนี่คือความทุกข์และปัญหาที่เราเจตนาสร้างขึ้นถามว่าทั้งที่รู้มันหนักมันเหนื่อยเหงื่อการแตกหายใจไม่ทั่วท้องแทบจะใจขาดเนี่ยรู้ว่าเป็นทุกข์อย่างเราทาไปทาไมอ่านี่คือปัญหา เราสร้างปัญหาเพราะเรารู้ผลว่าการทําสร้างปัญหาอย่างนี้อย่างนี้มันจะเกิดผลอย่างนี้เพราะเรารู้ขบวนการเวลาครูออกข้อสอบมาเขาเรียก อ, ออกปัญหาใช่ไหมอ่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่เราต้องไปไงต้องทําต้องสอบเพราะรู้ว่าถ้าตอบปัญหาได้ไปไงมันจะสบายมันจะสอบได้อครูก็มีหน้าที่ ที่เราเรียนจบกันมาเนี่ยถ้าไม่ผ่านการออกข้อสอบของครูเราจะเรียนจบมาได้ไหมไม่ได้นั่นคือการสร้างปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะให้พัฒนาสติปัญญาให้เกิดแสงสว่างนะเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอปัญหาโดยที่เราก็ไม่รู้ขบวนการการสร้างคนอื่นที่มาสร้างปัญหา ก็ไม่มีขบวนการว่ามันจะไปจบอย่างไรมันจะได้อะไรอันนี้คือตัวทุกข์ละแต่ทุกข์เพราะปัญหาที่เราสร้างขึ้นและผู้อื่นสร้างขึ้นร่วมกับเราเรารู้ขบวนการขั้นตอนว่ามันจะไปจบอย่างไรเนี่ยนี้เรียกว่าตัวปัญหาและตัวทุกข์กลายเป็นพลังงานอ่าเราตอบสมมติเขาขอขอก ข, ข้อสอบมาสิบข้อเราตอบได้ห้าข้อตอบไม่ได้ห้าข้อปัญหานั้น เกิดขึ้นมาเราดับได้คือตอบถูกเราดับปัญหานั้นได้แต่ปัญหานั้นขึ้นอีกห้าข้อมันเกิดปัญหาแล้วแต่เราดับมันไม่ได้เกิดปัญหาไหอีกห้าข้อูกิดปัญหาไหมเกิดปัญหาแล้วทาไงคุณกลับไปทำใหม่ห้าข้อคุณกลับไปทำใหม่แล้วก็เราก็จะต้องไปหาคาตอบให้มันครบอย่างเงี้ยถ้าคนไหนตอบได้มากที่สุดปัญหาสิข้อตอบได้แปข้อเก้าข้ออ่า ก็ไปแก้ปัญหาอีกแค่สองข้อเพราะฉะนั้นการตัวปัญหาที่สร้างขึ้นกำหนดขึ้นนั้นเพื่อเป็นขบวนการแต่ถ้าหากว่าถ้าสร้างปัญหามาสิบข้อเราตอบได้สิบข้อเกิดเท่าใดเราดับเท่านั้นเราสบายใจไหมเกิดเท่าใดดับเท่านั้นหมดปัญหาออกข้อสอบมา1ิบข้อเราตอบได้1ิบข้อหมดปัญหาไหมหมดปัญหาสบายใจ หายใจเข้ากับหายใจออกในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันไม่มีปัญหาแต่เกิดหายใจเข้าแล้วหายใจออกสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหรือหายใจเขา้ายาวหายใจออกสั้นเกินไปเกิดปัญหาไห ม, มเกิดปัญหาเพราะไม่สมดุลกันนี่หลักความสมดุลเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาอะไรทีนี้มัชชิมาปฏิปทาดังนั้นเราจะเห็นว่า รูปกับนามแค่นี้ถ้าจะวิเคราะห์วิจัยกันไปให้ลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันสนุกและหลากหลายมากแล้วจะทําให้เราเกิดปัญญามหาศาลแต่ส่วนใหญ่เรามองอย่างผืนๆเรานั่งนานๆเกิดปัญหาไหมเปิดปัญหาปัญหาคืออะไรหนักก้นหนักหลังหนักไหลปวดขาเมื่อยเพือปัญหาอะไรอย่า <c oughs> ปัญหานี้เราสร้างขึ้นหรืมันสร้างเอง โดยรูปมันสร้างเองใช่ไหมแต่ถ้าในรูปนี้มีน้ำอยู่ก็คือเข้าไปรู้ว่าออการนั่งอย่างนี้น่ะจะทำไงให้มันเบาได้ไหมใครเป็นผู้เข้าไปทําให้มันเบาได้ปัญหานี้การที่ทํามันมันเบาได้เรียกว่าเข้าไปแก้ปัญหามัน question ขึ้นมาแล้วก็ answer ทันทีมันหนักขึ้นมาเราก็เป็ไงเปลี่ยนดับการตอบปัญหาได้คือขบวนการของการดับและปัญหาต้องเกิดเวลา เกิดตลอดเวลาในเรื่องของรูปเพราะฉะนั้นการเทลปีหรือการบําบัดทุก์และปัญหาเกิดจากลูกต้องทําตลอดเวลานั่นคือกระบวนการเพราะมันเกิดตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่บําบัดตลอดเวลาเราไปลืมแก้มันเสียตัวนั้นเขาเรียกว่าเศษกรรมแล้วมันจะรวมเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่อไปนั่นวิบากกรรมใครไม่ได้สร้างให้เราแต่โดยธรรมชาติมันสร้างมาเองตรงที่เราสมมุติว่าเราทําข้อสอบสิบข้อ เราทำได้แค่ห้าข้ออีกห้าข้อที่ทำไม่ได้เป็นอะไรเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องไปทําใหม่ไปแก้ใหม่สิบข้อเราแก้ปัญหาได้แปดข้ออีกเราก็มีวิบากกรรมแค่สองเราดับได้แค่เราดับไปแปดได้ใช่ไหมมันก็เหลือแค่สองเราก็ไปตามดับใหม่ปัญหาของรูปเรานั่งหนึ่งชั่วโมงแต่เราแก้มันตลอดเวลาในหนึ่งชั่วโมงนั้นความทุกข์เหลืออยู่ ไหมที่จะค้างอยู่ตามข้อตามแขนตามไหลตามอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหลือแล้วพอ ไ, ได้รับการบำบัดเกิดขึ้นก็แก้ไขเกิดขึ้นก็แก้ไขแต่อีกคนนึงนั่งแช่อยู่หนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่บำบัดไม่แก้ไขเลยความทุกข์เกิดไหมเกิดเกิดเป็นวิบากไหมเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติภาวนาในระดับสมถาภาวนาจึงไปสู่อริยภูมิไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันติดวิบากแต่วิปัสนานั้นความปัญหาความไม่สบายเกิดขึ้นเทีเ่เราแก้ได้เท่านั้นแมันจบเกิดเท่าไรดับเท่านั้นแต่สมถะนั้นมันเกิดร้อยแต่ดับสิบที่เหลือเก้าสิบเป็นอะไรเป็นผลวิบากกรรมเพราะฉะนั้นพวกปฏิบัติสมถะทั้งหลายจึงแบกวิบากกรรมไปสู่แค่พรงอย่างสูงสุดแต่ที่เหลือไปสู่อ่า โอโรคุณตะละไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกไม่เอาตามอาลา ด, าดาบุตรและอุทะกาดาบทตรไงเพราะเป็นแค่สมถะทรมานตนเองให้ลำบากแล้วที่อย่างนี้ยังมีอยู่ในเมืองไทยไหม <c oughs> มีอยู่เยอะทีเดียวแม้แต่ในพิธีการของพ่อเทียนเองก็เช่นเดียวกันบางคลต้องการทําสมถะอยู่ไม่ต้องการทําวิปัสนาเพราะอะไรเพราะทําสมถะมันมีเรื่องสนุกเยอะเพราะได้เล่นกับทุกข์ไง ได้สนุกกับทุกอยู่นั่นคือวิบากกรรมยังสนุกอยู่กับทุก ค, คนมีวิบากอยู่คือเอาทุกเป็นที่เล่นที่สนุกเรียกว่าอาตัตติและมาฐานุโย <c oughs> ยังหาความสนุกในทุกอยู่แต่ถ้าหาบางคนอไม่อยากทำแล้วให้สบายดีกว่าไปทําให้รบากทําไมใช่ไหมมานั่งยกมือนั่งทรมานกายทาไมไปนอนหลับสบายดีกว่าถูกไหมเ <c oughs> พราะเป็นอะไรเพราะเป็นวิบากในฝ่ายตรงข้ามเลยว่า อากามะสุขานิกาุโยคคือไปติดสบายทําความพคิดการทำสบายๆนอนหลับบ้างรู้สึกตัวก็โยกมือไปหมดวมนันันก็หลับต่ออะไรทำนองนีนเน้เป็นกามะสุขานิการโยคเพราะว่าการเกิดการดับไม่สมดุลกันและอีกฝ่ายหนึ่งนั่งทําเดิมที่ได้สมชั่วโมงห้าชั่วโมงชั้นทนได้สบายโอ้มีนิมิตเกิดขึ้นมากมายมีสีแสงมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าคนวิบากใครเป็นผู้รับ กลายเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้รับกลายเป็นผู้รับนั่นกลายเป็นวิบากเพราะนั้นพวทที่ติดสมถะจึงไปนิพพานไม่ได้ต้องไปแค่เทวดาหรือพมอย่างสูงสูงก็ติดอยู่แค่นั้นแล้วในประเทศไทยผู้สอนกรรมฐานก็ผู้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในตรงนี้ 90% ้าสิบเปอร์เซนตแต่วิปัสนาที่เร า, าทำในสิบเปอร์เซ็นะถึงหรือเปล่าสมัยที่มาเข้าใจธรรมะใหม่ เอาไปถา ม, มหลวงพ่อเถียนเอา้าหลวงพอ่อท้าอ่างนั้นในประเทศไทยเราเนีนผู้ที่เป็นชาวพุทธแท้ที่เราว่ามีเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นแต่ชาวพุทธแท้ยังเหลือสิกี่เปอร์เซ็นจริ ง, รงๆหลวงพอ่อบอกว่าไม่ถึงสองเปอร์เซ็นโอ้โหในร้อยหนึ่งเนอะผู้ที่เป็นพุทธที่เข้าใจแท้ๆไม่ถึงสองคนอะ่ะอีกเก้าสิบเอดคนคืออะไรแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาจากนั้นมาเกือบสาิบปีเนะี่ยปัญหานี้ถา ม, มหลวงพ่อเถียนเกือบสามสิบปีแล้ว น่าจะขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์มาว่านะทุกวันเนี่ยพราะตอนหลังหลังจากหลวงพ่อเทียนของพ่อพุทธธาตุหลวงพ่อชาเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ตื่นตัวในเรื่องการภาวนาแยกอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาแต่ก่อนหน้านั้นมั น, ม, นมันมั่วๆกันมาตลอดอะ่ะไม่รู้อะ่ะปฏิบัติสมถะก็ว่าเป็นวิปัสนาปฏิบัติวิปัสนาก็เป็นสมถะบางคนก็ปฏิบัติภาวนาทํายังไงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่หลักสูตรที่พุทธเจ้าสอน เวลาพระพุทธเจ้าท่้สอนบอกว่าผู้ปฏิบัติพึงละทางสุดตรงสองทางกันแรกเลยใช่ไหมทางแรกก็คืออย่าสนุกกับความทุกข์คืออัตตาเกลียมหาฐานโยกยาเอาความทุกข์มาเป็นประเด็นในการปฏิบัติเพราะเป็นการทําร้ายตัวเองแล้วคนนั้นก็จะได้รับวิบารรับวิบากทางกายนั่งแบบไม่ติง่งไม่นิ่งเลยเนี่ยร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องขยับเปลี่ยนแปลงตามเขาใช่ไหมเพราะว่า แก้ไขวิบากและอีกคนหนึ่งโอ้มันติดสบายไม่เอาราทำอะไรก็เรื่องอะไรจยไปทรมานกายให้ลำบากเอาสบายดีกว่าก็เป็นการะสุขานิการุโยบุริย่าบอกเอาสายกลางเอาพอดีนี่ตรงเนี้ยบอกว่าให้ทำพอดีทำพอดีนี่ทำยังไงท่านก็บอกทำพอดีหนึ่งต้องเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องคือเห็นอย่างไรเห็นว่าทุกข์ร่างกายมีอยู่ตลอด สองถ้าเราไม่สามารถควบคุมควบคุมทุกข์ที่เกิดทางกายได้อย่างจํากัดให้ลงตัวให้บําบัดทุกข์นั้นจะเลยไปหาจิตเรียกว่าสมุทยัยนามารูปเป็นแค่เป็นรูปนามเป็นทุกข์แต่เมื่อไรเราควบคุมทุกข์อยู่ในรูปนามไม่ได้เข้าไปสู่จิตเรียกว่านามรูปนามรูปคือเป็นสมุทยัยตัวนามรูปเป็นสมุทัยที่แท้จริงแต่ รูปนามเป็นเพียงตัวร่วมซึ่งไม่ได้เป็นสมุทัยเดยตรงถ้าเราแก้วความทุกข์ในรูปนามทันทุกก็จะไม่ลามเข้าไปสู่จิตไม่เป็นรูปนามรูปตรงนี้จำให้ทันนะเนะี่ยจะไม่เป็นนามรูปทีนี้เราจะทํายังไงให้ทุกข์เนี่ยให้มันเป็นนิโรธให้ได้คือมันดับ ตัวรูปที่มันอยู่ในนามเนี่ยคือตัวความคิดที่มันอยู่ในตัวรู้เนี่ยเราจะแยกออกมายัางไงต้องใช้ขบวนการขบวนการนี่เรียกว่ากรรมวิธีเรือว่ามักท่านแยกไว้ถึงแปดอย่างทุกคนชาวพุทธจำได้ใช่ไหมมรรคแปดมีองค์มีองค์แปดคืออะไรองค์แรกชื่ออะไรสัมมาอะไรโยพรรษาสมาธทิที่ที่ความหมายของสมาธิทิ คืออะไรเขาเขาให้ความจํากัดความหรือความหมายไว้อย่างไรสมาธิทิคอความเห็ น, นเรื่องทุกข์อ่าหนึ่งละอันที่สอ ง, สองสมไม่ใช่คําจํากัดความของสมาธิทิมันมีกี่อย่างก็หลวงพ่อกำลังพูดเมื่อกี้ไงมีสี่อย่างคือให้เห็นว่ารูปเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทุกข์โดยประการเดียว คุณต้องบำบัดปฏิบัติสมถรษะและวิปัสนาเพื่อที่จะบำบัดควบคุมทุกข์ให้อยู่ในแค่รูปนามแต่ถ้าเราไปสร้างทุกข์ให้กับรูปนามถูกต้องไหม <S <S ไม่เป็นสมาธิถี่แล้วไปทรมานกายเป็นมิจฉาทิถี่แล้วเพราะไปสร้างความทุกข์ให้กับรูปเพราะรูปโดยโดยสภาวะมันแล้วมันเป็นทุกข์โดยอตุนวัติของมันแล้วเราไปเพิ่มทุกข์ให้มันอีกเป็นมิจฉาทิสัมา เห็นผิดเป็นสมถะเพราะฉะนั้นสมถะจะมีสองแบบหนึ่งสมถะแบบพราหมณ์สองสมถะแบบพุทธอ่าเราปฏิบัติสมถะวิปนนะัสสนาสมถะแบบพุทธนั้นจะเอื้อต่อวิปัสสนาแต่สมถะแบบพราหมณ์นั้นจะเป็นเส้นขนานกับวิปัสสนาคุณละทางเลยแล้วในประเทศไทยเราเป็นสมถะแบบพราหมณ์ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นคือต้องการปฏิบัติแล้วต้องการเห็นสีเห็นแสงเห็นรูปเห็น ลิถิเห็นเดชเห็นปาฏิหาริเห็นเลขห์เห็นหวยเห็นเบอร์ให้รู้รวมหน้าอะไรก็เป็นทำทำทองนั้นใช่ไหมแต่ไม่ต้องการเห็นทุกสะกดทุกแล้วก็เปลี่ยนทุกให้เป็นพลังซึ่งมันเป็นสมถะในแง่ของรูปเท่านั้นเอาละอันที่สองเมื่อร่างกายในเป็นทุกแสดงว่าทุกมันเกิดขึ้นเองลอยๆหรื อ, อ, อมันเป็นที่ไปที่มามีที่ไปที่ม า, มมาเรียกว่าสมู ท, ทยัยมีที่ไปที่มา และสมุทัยที่ไปที่มาตัวนี้เราจะดับมันได้ไหมได้แต่ต้องมีขบวนการนั่นคือมรรคในองแบบนะเฉพาะองค์ที่หนึ่งก็เราเห็นว่าตัวทุกนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขบำบัดได้เพราะนั้นถ้าหากทุกที่เกิดทางสมุทัยเราเรียกว่าดับและกระจัดหรือเอาออกแต่ทุกที่เกิดใน รูปเราใช้คําว่าบําบัดทุกนี้ต้องบําบัดท่านไม่ใช้คําว่าดับบําบัดหมายความมันเกิดขึ้นเรื่อยใช่ไหมต้องคอยบําบัดเรื่อยแต่ถ้าดับหมายความว่ามันแยกออกไปต่างหากได้เลยแต่คนทุกที่เกิดในรูปเนี่ยมันแยกออกไปต่างหากไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของมันเทว่าใจลักแต่ถ้ารูปของรูปนามรูปที่เกิดในในกายของเรานี้ถ้าถูกควบคุมจํากัดขอบเขตอยู่แค่รูปบําบัดมันอยู่แค่รูป มันก็จะไม่ไหลไปสู่นามก็จะไม่เป็นนามรูปเพราะมันแยกออกมาแล้วแต่ในกรณีที่เราไม่รู้เราไม่รู้มรแป8เพราะเราไม่รู้ขบวนการเราก็จะทาสร้างทุกขให้กับตัวเองขอบวนการอันที่หนึ่งจำกัดความคืออริย ส, สัจสีขบวนการอันที่สองก็คือสัมมาอะไรทั้งหมดมีแปดกรรมวิธีกรรมวิธีที่สองคืออะไรชาวพุทธนะชาวพุทธนะ สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเห็นยังไงเห็นถูกเห็นสี่ประการนี่ว่าชีวิตความทุกข์ก็คือจะแก้ไขด้วยกระบวนการทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมยังไม่พอต้องใช้กระบวนการด้วยวิธีการที่สองก็คือ ส, มสัสามมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะแปลว่าอะไรเห็นถูกถึงจะคิดถูกใช่ไหมแต่เห็นผิดก็คิดผิดเช่นเราเดินทางไปในค่ำคืนบงบางคืน แสงสว่างหลบหลูไม่มีไฟฉายอาศัยแสงจันสมัยก่อนใช่ไหมสมัยเราเด็กๆเนี่ยไฟฉายก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีก็เดินไปที่ประมาณเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเป็นเด็กวัดนะต้องไปนอนวัดต้องไปท่องสวดมนต์ต้องไปเรียนภาษาอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เราทำงานมันยังค่ากว่าจะไปวัดได้ก็นุ่นทุ่มสองทุ่มไฟไฟฉายก็ไม่มีที่บ้านห่างจากวัดประมาณเกือบกิโล ต้องวิ่งจากบ้านไปวัดอ่าบางวันที่อ่าไม่มีแสงจันทร์ก็ใช้ไม้แค่นะเอาไม้ไผนะ่มาสับๆๆแล้วก็จุดไฟนี่ขอนอกเรื่องหน่อยนะเพราะว่ามันสือนประกอบเพื่อเห็นภาพมาสับๆแล้วก็จุดแล้วก็วิ่งพอวิ่งเนี่ยลวมมันพัดไกลไมมไฟที่ติดไม้ไผ่มันเป็นไงมันก็ลุกใช่ไหมแต่ก็พอเห็นทางแต่ถ้า วันไหนเดือนไห้พระจันทร์ออกมันก็เห็นทางหลวมพอไปได้ไม่ต้องใช้แต่บางครั้งเอามาก็เ อ, อ้ทุมาเล่มหนึ่งมาจุดแล้วก็หมุนแล้วก็วิ่งไปเพื่อกันผีหลอกคนนั้นนะยังน้อยกระจายอยู่ที่แสงทูบมันจะไม่ได้คิดออกนอกเรื่องเพราะทางเส้นนั้นมันมีคนตายตามรายทางเยอะใช่ไหมตรงนั้นผีคนนั้นตรงนี้คนตายคนนี้เราก็กลัวผีอ่ะอันนั้นคือวิธีการมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปเห็นวัตถุชนิดหนึ่ง อยู่กลางทางมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนงูเราก็ชะนักเลยนะคิดว่า ง, งูก็ทําไงก็คว้าเอาก้อนหินข้ามทางเฟียงมันเอ๊ะมันก็ไม่ดิ้นนะเอาไม้ไปเขีย่ยเอาไปเอเข้าไปดูอีกทีเอามันไม่ใช่ ง, งูเป็นเชือกเส้นใหญ่ๆหญ่ที่มันติดล้อติดเปีน้ำไปไปตกตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าเราเห็นผิดคือเห็นว่าเชือกเป็นงู เพรนวิธีการก็จะรู้ว่าเชือกเป็นเชือกนั้นไม่ใช่งูทําไงต้องมีการพิสูจน์อ่าเพราะฉะนั้นเราเห็นผิดสัมมาสังกัปเมื่อมิจฉา ท, ที่เห็นผิดก็ะจะเกิดมิจฉาสังกปะคิดผิดด้วยแต่พอเรามีการทดสอบตรวจสอบก่อนแล้วเข้าไปสัมผัสอีกทีสัมมาสังคปะก็เกิดขึ้นสัมมาสังกปะมีนิยามสามประการหนึ่ง ให้คิดอะไรก็ได้แต่ให้ออกจากความอยากให้ได้เรียกว่าเนคขมัสสังกปปะสองคิดอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองเรียกว่าพยาปาทาอพยาปาทาสังกปปะสามทำอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าอาวิหิงสาสังกปปะนี่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าห้ามให้คิดนะ ถ้าคิดสัมมาสังกประแปลว่าคิดใช่ไหมคิดถูกสังกับตัวนั้นสังกับคือความคิดสังกับคือความคิดแบบมีสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเป็นสังขารน่ะสังกับกับสังขารคนละเรื่องนะสังขารมันก็คิดแบบขาดสติแต่สังกับคิดแบบมีสติถ้าคิดแบบมีสติมันจะก่อให้เกิดคุณภาพสาประการหนึ่งไม่คิดไปตามความอยากเรียกว่านี้สัมาสังกปะสองสิ่งที่คิดแต่เมื่อนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ กับตนเองเป็นอภยาปาธาสังกัปปะสามสิ่งที่คิดเอาอว่านั้นเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วยเป็นว่าอวิหิงสาสังกัปปะอย่างนี้เรียกว่าคิดถูกไม่ได้ให้คิดไม่ได้ไม่ให้คิดนะแต่คิดให้ถูกแล้วมันจะออกมาสามอย่างหนึ่งเป็นการออกจากความอยากอะไรก็ตามที่มนทำให้เราอยากนูก่นอยากนี่พยายามที่จะออกจายมันถ้าอยากนั้นไม่จาเป็นนะ สองอย่าเบียดเบียนตนเองสมอย่าเบียดเบีย น, นคนอื่นนะนอกจะกเบียดเบียนไปเอือ้อตนเองและเอื้อต่อผู้อื่นนี้เรียกว่าคิดถูกแต่ถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการคิดออกมานั้นเป็นมิจฉาสังฆปาฏิมดนี่ขบวนการกรรมวิธีที่สองนะเออวันนี้จะต้องอธิบายมากมีอองค์แปดหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนาะเป็นเรื่องวิชาการเกินไปแต่ยกตัวอย่างก็ได้สักสองข้อพอแล้วนะ สองข้อพอที่เหลือเราค่อยว่ากันในโอกาสอื่นแต่โอกาสนี้ขอทำเขาก็ใจจุดนี้ก่อนว่าในคำว่ารูปว่านา้มน่มันมีอะไรแฝงฝังอยู่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะนั้นเราจะดูมันเผินๆไม่ได้คอนเซปต์ Concept หลักๆ ก, ก็คือรูปนี้สร้างความไม่สบายให้แกเราต่อไปเวลาในนี้ยอมรับไหมยอมรับสองเมื่อความไม่สบายนี้ไม่ได้ถูกบาบัดอย่างเหมาะสมความไม่สบายของรูปมัน ผ่านไปสู่อะไรสู่นามความทุกข์ก็เกิดจากนามด้วยที่การบําบัดความทุกข์ที่เกิดจากรูป ก, กับเกิดจากนามข้าไหลเข้าไปสู่นามอย่างไหนแก้ไขง่ายกว่าอย่างไหนแก้ไขา ย, ยากกว่าลูกนะักเวลายกคเนี้ก็ดับลอยใช่ไหมนี่เรียกว่า บ, บ, บํา บ, บัดลักษณะที่ดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับเราเรียกว่าบําบัดลักษณะที่ดับแล้วไม่เกิดเลยเรียกว่าขาจัดหรือดับเบบว่าเราดับไฟอ่ะน่ะ เพราะฉะนั้นในตัวการบําบัดความทุกข์ออกจากกายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราต้องทํำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเกิดการอะไรต่อมาเกิดการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวก็เพื่ออะไรเพื่อบําบัดทุกข์การบําบัดทุกข์มีสองลักษณะหนึ่งบำบัดด้วยความไม่รู้เช่นอามารู้สึกหนักมาก็ลุกขึ้นเองไม่ต้องไปรู้อะไรมันเพื่อต้องการเอาอะไรความหนักนั้นออกไปใช่ไหม ลักษณะนี้นนบําบัดด้วยความไม่รู้เกิดอะไรขึ้นความสบายเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแทนที่มันจะเป็นปัญญาแต่กลายมาเป็นโมหะเพราะการบําบัดทุกอ น, นั้นทําด้วยอํานาจของสันชาติยานแต่เอร่ากรที่รู้สึกรู้สึกหนักแต่พวกเนี่ยอยากจะบําบัดมารู้ก่อนรู้ให้ชัดก่อน ว่าเออมันหนักขันนี้ท่านทุนได้หรือไม่ได้ท่านทุนได้อานั่งไปอีกหน่อยนะไอ้การตามรู้การตามพิจารณาอย่างเนี้ยเรียกว่าเริ่มขบวนการตัวรู้เกิดขึ้นแล้วทุกต้องกำหนดรู้อ่ะใช่ไมทุกต้องกำหนดตามหลักของลียสีสองถ้าหากว่ามันจะความทุกข์อันนี้มันจะเข้าไปสู่จิตสู่ใจท่านบอกสมุทัยต้องละ คือหมายความต้องละความความรู้สึกอ น, นั้นต์เสียแล้วเข้าไปดูพิจารณาด้วยใช้หลักของอริยสัจ ส, สี่ตัหนักเกินไปเดี๋ยวรู้สึกจะงุนกินลำคัญรู้สึกจะไม่สนุกแล้วนะมันจะกลายเป็นสมูทัยก็ปรับนี่ตน่งไม่จําเป็นต้องรู้ขึ้นแล้วใช่ไหมเพอปรับได้ตึงถามหลายๆครั้งอว่าความหนักความไม่สบายที่เด็วพวกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมาอธิบายมาหลายครั้งไม่ต้องอธิบายซ้ําอีกแต่ให้รู้ว่าการบําบัด ทุกทางรูปเนี่ยทำด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ถ, ถ้าทาด้วยความไม่รู้ตัวเป็นสมุทยัยสร้างสมุทัยขึ้นมาเรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะมันจะคิดหรือไม่คิดไม่รู้นะแต่มันเริ่มมีก่อตัวสมุทัยเอาไว้แล้วเป็นโมหะเป็นอวิชชาแต่ถ้ามีการลำดับขบวนการที่มันเกิดว่าขณะที่จะขยับให้ตามรู้ว่าทนได้ไหมทนได้แค่ไหนปรับไป อันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะแต่คจริงได้กล่าวไปวันก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร้อยๆตัวอย่างในร่างกายของเราหายใจเข้ามันฝืดเพราะแน่นจมูกเป็นปัญหาไหมเป็นทุกข์ไหมทุกข์อ่าแก้ไขได้ทันทีไหมมันมันไม่ใช่แก้ไขแบบลุกขึ้นแล้วหายนะเท่เนี้ยหายใจดึงเข้าดึงออกก็อยู่อย่างนั้นตรงนี้เป็นปัญหาและ หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็เป็นปัญหาหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเกิดไปก็เป็นปัญหาดังนั้นประเด็นที่จะให้เกิดทุกข์กับร่างกายมีทุกส่วนของร่างกายท่านจึงบอกให้เห็นทุกข์ก่อนทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องให้เห็นทุกต้องเข้าใจทุกต้องวิเคราะห์วิจัยให้เห็นแจง้งเพื่ออะไรเมื่อเข้าไปวิเคราะห์ใจเห็นแจ้งแล้วมันจะไม่เป็นสมุทัยนะ ในการที่จะยกทุกข์ออกจากตะโพกเนี่ยต้องเห็นชัดๆกับว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะไม่เกิดเป็นสมู ท, ทยัยนั่นหมายความว่าต้องทําด้วยสติและปัญญาแต่ในกรณีที่คนไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญามาเลยเขาจะมารู้อย่างที่เราคุยกันนี้ได้ไหมร้อยทั้งร้อยอ่ะใช่ไหมฉันไม่สบายเพราลูกหนีเท่านั้นเองแค่นั้นลูกหนีนั้นแสดงว่าสมูทัยเข้าไปสู่จิตเรียบร้อยแล้วคือความหงุดหงิดําคาและอึดอัดใช่ไหม ขาก็รู้นี้เป็นสมุทยัยคือนามารูปเรียบร้อยแล้วการที่จะเอาความอึอดอัดออกจากจิตกับการเอาความรู้สึกไม่สบายออกจากพวกเนี่ยอันไหนง่ายกว่าอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องขยันบําบัดแต่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนอบรมมีการสดับในเรื่องการเจริญสติสมัมถิปัญญาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้จุดนี้บ่อยๆการปฏิบัติเราก็จะก้าวหน้าหมายความว่าทุกครั้งก่อนที่เราขยับปรับเปลี่ยนเพื่อจะบําบัดทุกเนี่ยให้ตามรู้เยอะ เพนั้นหลวพอเทียนก็เลยเอาการเคลื่อนไหวมาเป็นประเด็นเป็นที่ตั้งของการตามรู้ยังไงเพื่อเป็นการบำบัดทุกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็จะเป็นการดับแยกรูปเรียกนามไปในตัวเสร็จทุกครั้งที่เรามีการปรับเปลี่ยนอิเลียบทเพื่อบำบัดทุกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวชัดเจนตรงนั้นแยกรูป ก, กับนามได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังเป็นมรคอยู่เพราะการแยกรูปนามมีสองระดับระดับมรคกับระดับผลใช่ไหม ระดับมัศเนี่ยต้องทําบ่อยๆ อ, อ่ามัศต้องทําบ่อยๆใช่ไหมมัศต้องเจริญต้องทําให้บ่อยๆ อ, ยอนี่รถเป็นไงทาให้แจ้งอให้เห็น ช, ชัดๆว่ารูปะกับนามแยกกันชัดเจนจริงไหมให้เห็น ช, ชัดๆไม่ใช่แยกกันแบบมั่วๆเ น, นี่ยชัดเออตัวเนี้ยมันไม่มีรูปเหลือจริงๆใจของเราเมื่อจิตใจของเราไม่มีรูปเหลืออยู่ใจใจจะรู้สึกเป็นไง โล่งโปรงเบาสบายว่างใช่ไหมแล้วก็ผ่อนคลายนี่ผลของมันนี่รุ่ดจออกมาลักษณะโุ่งโปร่งเบาสบายผ่อนคลายมีความสงบดึกซึ้งและมีความสุขนั่นที่เป็นผลที่ถาวรแะ่ะแต่ผลเบื้องต้นที่เป็นระดับมั่งเนี่ยต้องปรับเดี๋ยวหนักเดี๋ยวก็แก้เป็นเบาเดี๋ยวหนักอีกแก้เบาเดี๋ยวคิดอีกแก้ให้เขาคิดหายไปเดี๋ยวคิดอีกแก้ความคิดลักษณะ แยกลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นในระดับมักคือยังไม่เป็นไม่เป็นผลถ้าเป็นนิโรธเมื่อไหร่เป็นผลนามรรคนี่คือเป็นเหตุมักคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลระหว่างทุกขสุมัยิมไทัยตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลทุกขสุมัยมุทัยตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุถูกต้องเพราะฉะนั้นในนั้น มันมีเป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันเองเป็นผลหมายถึงดับเหตุหมายถึงเกิดอ่าในทุกข์ไสมู่ไทยที่มันเป็นการเกิดดับของทุกข์นะภพมร ก, กับนิโรธกับมรกมันเป็นการเกิดดับของทุกข์ในนามทุกข์กสมุ่ไทยเป็นการเกิดดับของทุกข์ในรูปเพราะฉนั้นย่ออริสัตสี่เหลือสองได้ไหมเหลืออะไร รูปกับนามและรูปกับนามตัวไหนเป็นเกิดและตัวไหนเป็นดับรูปเป็นเกิดนามเป็นดับเพราะฉะนั้นการที่เฝ้าดูรูปนามก็เฝ้าดูการเกิดดับนั่นเองเฝ้าดูเคลื่อนไหวก็เฝ้าดูการเกิดดับนั่นเองเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาจึงเอาตัวเกิดดับเป็นอารมณ์และการเกิดดับนี้เป็นปรมัติ์เพราะฉะนั้นเมื่อชัดเจนอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยไง แล้วก็ตั้งใจทำส่วนจะทำได้มากได้น้อยปิดโ้รศัพท์ดีส่วนจะทำได้มากได้น้อ ย, อยขึ้นอยู่กับศรัทธาเงื่อนไขห้าประการหนึ่งต้องมีศรัทธาความรักที่จะทำสองเมื่อมีความรักที่ทำแล้วลงมือทำโยมนั่งหลังง่วงไปนอนได้แล้ะอนุญาตให้ไปนอนนะถ้านั่งฟังหลวงพ่อแล้วง่วงแล้วเป็นบาสนะนบาปเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอ่า นี้ตัวศรัทธาและความเพียรของเราจะถูกต้องมีตัวสามประการเป็นตัวประกันถ้ามันถูกต้องแล้วสติสมาธิปัญญาต้องเกิดแต่ศรัทธาและความเพียรไม่ถูกต้องสติสมาธิปัญญาเกิดหรือเกิดน้อยหรือไม่เกิดจะพิสูจน์ว่าศรัทธาและความเพียรของเราถูกต้องหรือไม่ต้องรูสามตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าอินทรีห้าอินทรีห้าถ้าเราทําถูกมันก็เป็นพระห้า ถ้าเราทำไม่ถูกมันก็ยังเป็นอีซีอยู่เหมือนเดิมไม่แน่ว่าจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นทําหมดเดียวกันจะมีสองชื่อคืออีซีห้าและพระห้าทำไมต้องมืนซ้ํากันเพราะอะไรถ้ายังเป็นอีซีอยู่มันยังไม่แน่ว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ถ้าอะไรมันเป็นพระหมายความมันถูกฝ่ายเดียวคือประกอบด้วยสติมีกําลังสมาธิมีกําลังปัญญามีกําลังนี่ เพราะนั่นเราจึงมาเพิ่มกําลังให้สติสมถิปัญญาไงโดยที่เรายกมือแล้วก็ตามรู้กันโดยนจูคมคือการมาเพิ่มกําลังให้สติสมถิปัญญามีกําลังเมื่อสติสมถิมีปัญญามีกําลังแล้วทําให้ตัวยานมีกําลังมันจะแยกจากสัญชาติญาณและวิญญาณพัฒนาจากสัญชาติญาณวิญญาณให้มาเป็นยานเฉยๆเรียกว่าตัวรู้เรียกว่าตัวรู้ ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนแบบนี้นะมันปฏิบัติมั่วไปตลอดมันมันเสียเวลาแต่เราจะทําเรื่องลึกเรื่องละเอียดให้ง่ายคือแทนที่จะไปพิจารณาเหล่านี้อย่างที่ว่ามันมันไม่จําเป็นละแต่หลวงพ่ออธิบายว่าตัวยานี้มันประกอบด้วยอะไรหน้าที่ของเราก็คือรู้สึกปวดหัวปวดท้องก็เอาไปไงเอายาใส่ปากดื่มน้ําเรียบร้อยใช่ไหม เราไม่ต้องมานั่งรู้ว่ า, ายาตัวนี้ประกอบด้วยแล้วใครเป็นผลิตบริษัทไหนประกอบด้วยอะไรเคมีตัวไหนบ้างไม่ต้องไปรู้แต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงกาลังอธิบายเบ็ดยาตัวนี้แต่หน้าที่ของพวกเราคื อ, อยาใส่บากดื่มน้ําจกเหมือนกันว่าในขณะรู้สึกว่าไม่สบายก็เข้าไปตามรู้มันหน่อยนึงจบแต่ความรู้สึกไม่สบายมันเกิดเป็นทางรูปเกิดตลอดเวลาใช่ไหมก็ต้องตามรู้ตลอดเวลา แต่ในครั้งใดที่เราลืมตามรู้ครั้งนั้นก็เป็นอะไรเป็นวิบากที่จะต้องไปแก้ต่อไปเนะี่ยเขาให้ปัญหามาสิพ่ออทําได้แค่ห้าข้ออีกห้าข้อไม่ต้องทําเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปบอกแกต้องไปทํามาให้หมดถ้อนะงั้นกแกสองไม่ผ่านนะมีปัญหาล่ะนะงั้นเธอจะไปเรียนเทอมหน้าต่อใช่ไหมไปเรียนซั้ำชั้นเราก็ไม่ยอมเราก็ไปเล่งทําข้อสอบอนะมาปฏิบัติชาตินี้แล้ไม่พอชาติหน้าดึงมาปฏิบัตินะอีกนะโอ้ไม่ไหวแค่ชาตินี้ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นให้มันปฏิบัติกันแค่ชาติเดียวนะไม่ต้องซ้ําชั้นซ้ําชั้นโดยเกิดใหม่อีกไม่รู้จะได้กลับมาฟังกันอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะนั่นนั้นเรื่องนี้เป็นถ้าเป็นรูปธรรมแล้วมันเห็นง่ายแต่ถ้าถ้าเป็นนามธรรมแล้วมันค่องจะเห็นยากเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะนั่นนั้นในเรื่องแค่รูปนามนามรูปแค่สองเรื่องหลวงพ่อจะลงไปลึกในรายละเอียดอีกมันออกมาเป็นอย่างเนี้ย แต่ในภาคปฏิบัติของเราก็เพียงแต่ว่าให้มีศรัทธาและความเพียรในการทําแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ถ้าเราศรัทธาเต็มบัง้งไม่เต็มบัง้งความเพียรเต็มบัง้งไม่เต็มบัง้งรูปนามของเราก็แยกได้บัง้งแยกไม่ได้บัง้งใช่ไหมแยกได้บัง้งแยกไม่ได้บัง้งคือแยกได้ครึ่งการเอาละนมหนึแก้วฉันเอาไปตากแดดให้มันเหลือครึ่งแก้วนมนี่จะเสียอยู่ไหม <c oughs> เสียอยู่นมหนึ่งแก้วฉันั้นเอาไปต้มให้มันเหลือครึ่งแก้ว ทิ้งไปนานๆเสียไหมเสียอีกนะจนแยกได้ให้ชัดเจนว่าอันนี้คือน้ําเปล่าอันนี้คือผงจนแยกได้ขนาดนั้นแหละเหมือนกันที่เรายกมือแต่ละครั้งเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแล้วแต่วัน้ํามันงวดแค่ไหนเท่านั้นเองความคิดมันงวดลงแค่ไหนฮิความรู้สึกตัวมันมันมันมันปรากฏแค่ไหนถ้าความรู้สึกตัวเหมือนน้าใสๆนะมันก็แยกได้เยอะใช่ไหมแต่ ไอ้ผงนมเนี่ยเหมือนไอ้ข้นๆเนี่ยมันแยกได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องคุณคํานึงถึงคุณภาพเวลายกแต่ละครั้งกําหนดรู้แต่ละครั้งเนี่ยให้ชัดแต่คําว่าชัดกับเพ่งเนี่คนละเรื่องนะเพ่งหมายความตั้งใจหูเป็นสายเลยนะเพื่อจะเอาความรู้ให้เต็มที่เลยนะอันนี้เรียกว่าความอยากเข้าไปละอยากจะให้มันชัดอย่าทําด้วยความอยากเพราะอยากเป็นสมูทไทยคือทําให้มันสบายทํางานให้มันสบาย ลักษณะที่ทำให้สบายและถูกต้องเราไม่เรียกว่าอยากเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าฉันทาในอิทธิบาตสี่ใช่มอ่ามันมีฉันท่าในการที่รักในการที่จะทำฉันท่าที่ถูกต้องที่ไม่เป็นตันหาก็ประกอบด้วยจิตวิริยะจิตตวิมังสานะเพราะนั้นในจุดนี้เราจึงไม่อยากให้มองข้ามว่าเราจะต้องทำ ให้มันถูกต้องให้มากไว้ก่อนคือหมายขอพยายามแยกน้ำใสออกมาให้มากก่อนโอ้วันนี้ตรงไม่งวดได้น้ำใสออกมาครึ่งแก้วถ้าไม่แยกกันจริงๆมันจะได้น้ำใสออกมาแก้วหนึ่งแล้วผงนี่มันจะเหลืออยู่ประมาณห่อนลงไปไม่ถึงครึ่งแก้วมันจะออกไปอย่างนั้นแต่วันนี้เราเคีเ่ยวเต็มที่แล้วมันได้แห้งไปแค่ครึ่งแก้วเองวันต่อไปเราไปเคี่ยวต่ออีกลักษณะจนกระทั่งเราแยกผงกับ นางบอกมาให้ชัดเจนอ น, นั้นคือความสําเร็จของเราว่าแยกรูปแรกได้ชัดเจนเราเรียกว่าเป็นปรมัตดแล้วทุกก็จะไม่ไม่เกิดอีกแต่ร่างกายยังทุกข์เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าร่างกายท่านทุกข์อยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพระราหันทั้งหลายร่างกายท่านทุกข์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็ตอนที่พระเทวทัตกิ่งหินใสใช่ไหมไปถูกเท้าท่านหมอชีวก็ต้องมารักษ า, ายอยู่หลายวันน ะ, อ, ะอันนั้นก็เป็นวิบากอยู่ท่านก็ ย, ยังเก็บยังปวดอยู่ อันนั้นเองในแง่ของกายเนี่ยรักวิบากกันทนุนทุนหน้านะดังนั้นในเช้าวันนี้หลวงพ่อลุงรายละเอียดเพื่อให้เห็นว่ามันมีที่ไปที่มาเราจะทําเล่นเล่นเพื่นเพืนเพื่อนเพื่อไม่ได้ทําอย่างเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมีปัญหาอีกเบื่อเครียดลาคาญงุดหงิดอ่านั้นทําด้วยความไม่เข้าใจให้ทําทด้วยความเข้าใจมันจะเกิดเบาสบายปลอดโปรง่งผ่อนคลายมีความสุข ถ้าทาด้วยความค่อยใจตัวนั้นเป็นตัววัดว่าทาด้วยความถูกหรือผิดว่าปลดปรลงค่อนคลายสบายหรือเปล่าทําไปแล้วหูรังกายมันเกร็งหรือเกินนั่งทั้งวันก็คุณก็นอนลองบ้างสิคุณไปนั่งให้มันเครียอยู่ทําไมแต่อย่านอนระวังให้ดีมันจะสบายเกินไปต้องรีบเด้งขึ้นมาใช่ไหม เออหลวงพ่อไม่ได้ห้ามว่าไม่มให้นอนแต่ให้นอนเพื่อการบำบัดทุกเขเวทนาได้แต่คุณอย่าลืมว่าบำบัดได้แค่ไหนควรจะพอดีนะถ้ามันเกินพอดีคุณก็ดับไปปุ๋ยเลยเราจะมาโทษว่าหลวงพ่อให้นอนไม่ดีก็ไปบอกให้คนอื่นว่าไม่ไหวหลวงพว่อย่อหย่อนเกินไปให้นอนก็ได้เงี้ยเขา่งจะว่าหลวงพว่อแย่แล้วทีนี้แต่ความจริงแเราเอาไปใช้ไม่ถูกนะก็ขออุปทานาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนี้ต่อไป จนสามารถที่จะแยกกายแยกใจแยกทุกแยกกิตออกชัดเจนด้วยกันทุกคนคุณท่านถืน